ก็เขาบอกว่าอะไรนะวิสุทธิมัเปรียบบอกว่าเคยปิ้งปลาไหมถ้าไฟมันอ่อนเป็นยังไงแล้วเมื่อไรมันจะสุกถ้าไฟไม่ดีใช่ไหมถ้าแล้วถามว่าถ้าไฟมันแรงเกินไปอ่ะมันไหมแล้วจะปิ้งให้มันพอดีจะทํำยังไงก็าหาความพอดีให้พบหุงข้าวก็เหมือนกันถ้าแหมใส่ไฟมันเต็มฟืนเต็มลําเกลียนหม้อหุงข้าวใบนิดเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ้าวแล้วเอาไฟเท่ากระแสงหิ่งห้อยมาหุงเท่าเตาใหญ่ๆแล้วทําไงมันก็ไม่สุกไอ้ความพอดีเนี่ยสําคัญมาก ความพอดีนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาใจของเรานั่นแหละเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะกุศลธรรมเจริญต่อเนื่องไหมหย่อนยานไหมเนี่ยนะพยายามจับเอาตรงนี้แล้วก็หาข้อมูลไปเถอะเนี่ยนะถ้าเรายังอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเชื่อเลยพุทธเจ้ารับผิดชอบเราหมดเว้นไว้แต่ว่าเราใหญ่เมื่อไหร่วันนั้นอะเละแล้วเนี่ยนะ ใหญ่เมื่อไรบอกเออคำสอนนั้นก็นใช้ไม่ได้ยางงี้สิยังงันสิเริ่มวิจารณคำสอนเต็นแล้วเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็อันตรายแล้วลนะ่ะแต่ถ้าบอกโอ้พู้ทางสารนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสังทางสารนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าตรัสยังไงก็ยางนันแหละถูกต้องแล้วลนะ่ะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ได้เนี่ยนะ ถ้าคิดอย่างนี้โอ้ยยังอีกไกลยังไงนะอนาคตยังอีกยาวนานที่จะศึกษาคําสอนแต่บอกแหมคําสอนตรงนั้นใช้ไม่ได้เพราะพุทธพจน์ไม่น่าตรัสอย่างนี้เลยโอ้าวิจารณ์พระพุทธเจ้าเก่งขนาดนี้แล้วก็อนาคตถ้าจะถูกปลดไม่รู้กทางใจนี่ถูกปลดเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าถูกปลดทางความคิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะปลุกปล ด, ปลดอริยทรัพย์ทิ้งจากใจไปหมดแล้วท่านก็ต้องพยายามสังเกตว่าศึกษาอย่างไรที่จะไม่ตกจากธรรมวิไนไอตรงนี้แค่ ว, ว่าอัดตันอยู่ต้องรู้จักตัวเองให้ ให้เพียงพอเนี่ยนะรู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคือใครพระรัตนาตรายนั้นเป็นอย่างไรแล้วทำยังไงเราจึงจะมีความมั่นคงในพระตัตนตรายแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลต่อไปถ้าอย่างนี้นะศึกษากี่ครั้งก็ได้บุญเท่านั้นนะนะศึกษาเท่าไหร่ก็เป็นบุญของเราเท่านั้นเนี่ยนะแล้วทุกครั้งที่ได้เรียนได้ฟังได้ศึกษาได้พิจารณาก็เป็นบุญของเราทุกครั้งไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราไม่สูญเปล่าแล้วล่ะชีวิตของเราไม่ ไม่เป็นหมันนะ่ะนั้นถ้าตรัสรู้ข้ามฝากจากพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็มาพาเราข้ามฟากไปเองอะถ้าเรามีบุญอะนะเพราะพระพุทธเจ้าเขาก็สร้างบารมีอยากจะมาช่วยคนมีบุญเหมือนพวกเรานี่แหละมันแต่เรามีบุญจริงหรือเปล่าล่ะมันสำคัญมันอยู่ตรงนั้นอีกกันนะไม่ใช่พระองค์เกิดมาปั๊บตรวจ ด, ดูแล้วก็เออไม่มีวีเแววเลยจะหนีเป็นยังนะไม่รู้จะเข้าตรงไหนไม่รู้จะเริ่มต้นพูดกับเขาตรงไหนเลยเนี่ยนะเคยเห็นไหมอะเออพระสูตรเน่ยนะเขามา พระสูตรจริงมันเป็นตู้ๆใช่ไหมฮะอย่างตู้ข้างๆโยมนั่งอะ่ะก็เป็นตู้ๆเหมือนกันแล้วก็ไปเห็นหลายๆคนเนี่ยนะหเห็นพระไตรปิฎกก็เห็นคนฟังเชื่อไหมนึกไม่ออกว่าจะเอาสูตรไหนดีหาไม่ออกคิดถึงพระวินัยก็แล้วนึกถึงพระสูตรทั้งห้านี่กายก็แล้วนึกถึงอริธรรมทั้งเจ็คัมภีร์ก็แล้วไม่มีอะไรจะคุยกันโยมมาทําไมเหรอยังไงนะก็คุยกันนละ้วแค่นี้แล้วแล้วแต่เขาว่าเออไงนะก็เออเนี่ยสัพเพสัตตาอย่างนี้แหละ ย้อนกลับมานะต้องต้องพยายามทําความเข้าใจเรื่องรูปแล้วก็เรื่องรูปนะั้นอะ่ะพยายามคิดในเบื้องต้นว่าเนี่ยอันนะขันอิยตนาธาต์แต่ทีนี้อันนี้รงรายละเอียดแต่เป็นข้อเบื้องต้นนะคนคนเลี้ยงโคเนี่ย ม, มันมีกี่ข้อคุณสมบัติของคนที่เลี้ยงโคโคยังตายเลยเนี่ยนะสิเอ็ข้อใช่ไหมพระพิสูจนที่บวชเข้ามาแล้วก็รักษาได้แต่ผ้าเหลืองซึ่งนานๆเข้าก็รักษาไม่ได้เลยก็เหมือนกันนะนะข้อแรกก็คือไม่รู้จักรูปอะไรเป็นภูตรูปเลย อุปาทายรูปแต่จริงพุทธพจน์เนี่ยดูก็ใช้ศัพท์ไม่ไม่ได้แจกจะจนปวดหัวเลยนะเขาจำคำมารูปกับคำว่าภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเนี่ยนะรู้จักอันนี้ไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นอันนี้ข้อแรกก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลรายละเอียดต่อไปทีนี้ข้อสองภิกษุโง่คือใครแล้วขอไปนายโคบานโง่ไม่ฉลาดในลักษณะกับภิกษุโง่ที่ไม่ฉลาดใน ลักษณะภิกษุโง่ที่ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนาไม่รู้จัชัดตามความเป็นจริงเลยว่าคนพาเ น, นี่ยมีการกระทาเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายอันนี้เรียกว่าภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเลยอันนี้มาดูพวกคนเลี้ยงโคก่อนคนเลี้ยงโคที่ไม่รู้จักลักษณะคืออย่างไร ณลักษณะกุสโลโหติไม่ฉลาดในลักษณะความว่าไม่รู้จักเครื่องหมายสมัยใหม่เนี่ยนะเขาโคเนี่ยเขามีต่างหูนะเคยเห็นโคไหมโคตั้มันนอเนี่ยเขามีมีต่างหูแล้วเขาเจาะหูนะโคเขามีเจาะหูเป็นสั ญ, ญลักษณ์เครื่องหมายโคใครโครใครเนี่ยนะแล้วก็เจาะหูแล้วนะ เขบอกว่าถ้าให้รู้ว่าโคใครเป็นโคใครจะหลงไปยังไงอะไรยังไงตอนหลังก็แทบจะติดสติ๊กเกอร์มีหมายเลขประจําตัวแล้วนะนั่นตอนหลังนั่นไม่ไม่ใช่แต่โคนั่นลามไปถึงไก่แล้วไก่ก็จะมีรหัสโครประจําตัวอีกนั่นะงไก่ก็ต้องแบบเหมือนพวกเรามีบัตรประชาชนมีตัวเลขประจําตัวใช่ไหมเขาบกว่าแต่ต้องรู้จักลักษณะนั่นนะก็บอกว่าพวกโคทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาทําเป็นรูปคันธนูเป็น ทำเป็นรูปหอกบ้างทำเป็นรูปเหลา่าประทับตราเนี่ยวิธีประทับตราโคเอ็ธทำยังไงเอาสีไปทาใช้หมอกไหม่วิธีตรับประทับตราโคโบราณเลยก็คือว่าเอาท่อนเหล็กเนี่ยนะทำจากทําเป็นรูปหอกเอาเหล็กไปเผาไฟแล้วเอาหองเนี่ยไปแต้มปาดมันก็เป็นแผลเป็นนั่นแหละเป็นลักษณะของโคเนี่ยนะพูดอย่างนี้ของเรามีแผลเป็นกันตั้งหลายที่เนี่ยนะไม่ต้องเป็นหนักใจหรอกนี่นะมันก็ เขาก็เอาเนี่ยเอาเป็นรูปคันธนูเอารูปเป็นอะไรไปเผาไฟแล้วเอาไปหน้าให้เป็นแผลเป็นเนี่ยนะนั่นแหละเครื่องไม้โคของเขาอะนะถ้าทําไม่ใช่โคดําโคด่างเขาจะประทับอาแคว่าถ้าเป็นทั่วๆไปใช้สติกเกอร์ใช้อะไรไปติดมันก็อยู่ใช่ไหมแล้โคทํำยังไงก็ต้องใช้วิธีเหล่านี้แล้วมันก็ติดยาวตอนนั้นก็ค่อยชั่วหนะ่อยก็เจาะหูเนี่ยนะเจาะหูแล้วก็ติดพลาสติกเอาอันนี้คือว่าถ้าคนที่เลี้ยงโคจะต้องรู้จักลักษณะของโคถ้าไม่รู้จักลักษณะของโคเลี้ยงโคโคก็หายหมดเนี่ย เสร็จ แ, แล้วชั้นใดภิกษุก็เหมือนกันชั้นนั้นภิกษุที่ไม่ฉลาดในลักษณะคืออย่างไรในหน้าหกนะหน้า4ก็บอกว่าณนะลักษณะกุสโลโหติความว่าภิกษุไม่รู้จักว่ากุศลกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรอกุศลกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรลักษณะของกุศลเป็นยังไงก็ไม่รู้ลักษณะของอกุศลเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ลักษณะของคนพาน เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ลักษณะของบัณฑิตเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นี่เรียกว่าโง่มากเลยนะอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่ทําเนี่ยนะบางทีเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยกิจกรรมภายในวัดก็ช่งางเด้ที่พระภิกษุท่านขยันกันมาก น, นะนะไอ้ที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลอธิบายได้ไหมบางทีอธิบายไม่ได้นะโอ้เอาเป็นใหญ่เป็นโตประชุมคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้นี่มันทํากุศลหรือทําอกุศลบอกไม่รู้เนี่ยนะรู้แต่ว่าให้งานนี้มันเสร็จไปก่อนเป็นใช้ได้ อันนี้ก็แสดงว่าเข่ามากเลยนะไม่รู้จักลักษณะว่าอะไรเป็นกุศลและอกุศลไอ้มันไม่เกี่ยวกับกุศลอกุศลมารหราไราได้เข้าวัดอย่างเงี้ยถ้ายัางงี้ก็ถ้ายัางงี้วิจารณญาณไม่แม่นยําแล้วละ่ะนี้ต่อไปแล้วลักษณะของคนที่เราคลุกคลีด้วยเกี่ยวข้องด้วยเขาเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตเขามีลักษณะไหมลักษณะเขาคือจริงๆแล้วลักษณะยี่ห้อมันบอกหมดแล้วนะก็เหมือนกับรถบนถนนเนี่ยมันมียี่ห้อมีอะไรบอกหมดแล้วว่ารถเหล่านั้นเนี่ยมันเป็น เป็นรถลักษณะไหนเนี่ยนะถ้าเป็นช่างระดับสูงยิ่งเนี่ยนะได้ยินแต่เสียงรถเขาก็รู้แล้วว่าสภาพของรถนั้นเป็นอย่างไรชั้นใดก็ดีผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเห็นพฤติกรรมเนี่ยนะเห็นการขยับตัวก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตในอย่างหนึ่งถ้อยคำที่พูดเนี่ยนะปล่อยให้พูดแป๊บหนึ่งเาก็วิจัยออกแล้วว่าคาพูดนี้เป็นพานหรือเป็นบัณฑิตเคยไปตรวจโรคหมอ กว่าถ้าไปตรวจคอเนะี่ยลองเปล่งเสียงออกมาสักพักหนึ่ง น, นะเดี๋ยวหมอก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหมแล้วก็บางทีเาก็ตรวจดูนั่นดูนิ ด, น, ดนิดหน่อยก็จ่ายยาไล่แล้วถามว่าทำไมเพราะเข้าเข้าใจลักษณะของ โรคแต่ละโรคฉันใดผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่รู้ลักษณะทั้งหลายก็เหมือนกันมองเห็นลักษณะกิริยาท่าทางแนวความคิดเสนอไอเดียเราก็รู้แล้วว่าเป็นบานหรือเป็นบัณฑิตวิธีคิดอย่างนี้ชวนกันทําบาปหรือชวนกันทําบุญชวนกันสร้างปัญหาหรือว่าชวนกันแก้ปัญหาชวนกันสร้างเรื่องหรือว่าชวนกันตัดเรื่องเราก็เข้าใจได้แล้วเนี่ยนะวิเคราะห์ได้แล้วว่านี้ถ้าแยกแยะออกแล้วว่าเมื่อแยกเป็นปานแยกเป็นบัณฑิตแล้วอะไร ว่ามงคลก็เข้ามาฮะอาเสวนาจะพาลานังปัญหาว่าเราก็เรียนมงคลอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาทีนี้เอ๊แล้วลักษณะคนพาลมันเป็นยังไงคนพาลคือคนที่ขัดใจเราตลอดเวลาเนี่ยนะเราทําอะไรก็ไม่ยอมเห็นด้วยกับเราเลยเนี่ยนะพยายามขัดอกขัดใจเราไปโมดเรียกว่านี่คนพาลใช้ไม่ได้ครบไม่ได้เนี่ยห่างไว้หน่อยดีใช่บัณฑิตคือใครบอกตามใจเราทุกอย่างเลยนะเห็นดีเห็นงามก็เราเร า, เราทําผิดอะไรเขาก็ให้อาภัยได้เสมออันนั้นบัณฑิตหรือเปล่า นี่ตรงนี้ต้องแยกให้ดีว่าไม่ใช่ว่าพานคือคนที่ขัดใจเราบัณฑิตคือคนที่ตามใจเราคนที่เข้าใจเราทุกอย่างเรียกว่าบัณฑิตเพราะเขาเข้าใจเราอะนะอันนั้นไม่ใช่นะต้องรักศึกษาให้ดีท่านบอกว่าคนพานเนี่ยนะคนพา น, นรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนพานคนพานมันก็ทำแบบคนพานเวลาพูดมันก็พูดแบบคนพานคิดมันก็คิดแบบคนพาน ถ้าหากว่ามันไม่ทำแบบคนพานพูดแบบคนพานคิดแบบคนพานคิดเนี่ยนะบัณฑิตไม่มีใครเข้าไปรู้หรอไอ้นี่มันพานนะถามว่าแล้วคนพานทำไงคนพานนะถ้าคิดจะทำอะไรมันทำชั่วความคิดทำความชั่วด้วยกายเช่นในที่สุดนะวิธีคิดของคนพานจบลงที่ปนานาธิบัต วิธีทำของโนพานการกระทำในหลายอย่างจบลงที่ปานาติบาตจบลงที่อธินนาทานทําไปทํามาจบลงที่กาเมสุมิชฉาจานนี่แหละเป็นพฤติกรรมที่เป็นลักษณะของคอนพานคําที่พูดล่ะพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็เข้ามูสาพูดไปพูดมาก็ยุยแยงตะแคงรั่วเขาแตกแยกกันไม่รู้กี่เผ่าแล้วแล้วก็พูดไปพูดมาพูดไปมาพูดด่าไปพูดไปด่าไปเนี่ยนะพูดไปพูดมาหาสาระไม่ได้เลยเนี่ยนะพูดอยู่ตั้งนานจับประเด็นนะเนี่ยนะเหมือนกับว่า ก็แล้วนะภูเขาทั้งโลูกบางทีจับหาอะไรไม่ได้เลย น, นะนะเหมือนต้นไม้ทั้งป่าหาแก่นสารไม่ได้แม้แต่แม้แต่ต้นเดียวคําพูดของคนพาณ์ทั้งหลายบางทีก็ลักษณะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่บัณฑิตนี้ลักษณะของคนพาณแล้วคนพาณลองให้เสนอไอเดียดูสิหนึ่งคิดโลกก่อนอภิชาสองพุ่งอะไรนะ เสนอไอเดียพยาบาทออกมาแล้วก็เสนอไอเดียมิจฉาทิฏฐินาน า, นาสารพัดต่างๆออกมานั่นแหละเป็นลักษณะของคนผานถ้าไม่ทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วแบบนี้ไม่มีบัณฑิตที่ไหนเขารู้หรอนี่พานชัดๆเลยภาระแปลว่าโง่ไม่ใช่พานนอนหนูเนี่ยนะผานทองอ่ะนะแบบไม่ใช่พานแบบนั้นแต่ภาระเนี่ยพาโลเนี่ยพาโลแปลว่าคนโง่คนเข่าเนี่ยนะคนเขา่าแปลว่าคนที่คบไม่ได้แล้วก็เพราะอะไร ทำไมจึงคบไม่ได้ปัญหาอุปสรรคเดือดความเดือดร้อนอันตรายสารพัดชนิดมาจากคนพาณเนี่ยนะอันตรายทุกอย่างปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะสิ่งสิ่งที่สร้างปัญหาสารพัดอย่างเนี่ยทุกอย่างมาจากคนพาณเพราะถ้าหากว่าไม่รู้จักคนพาณและไม่รู้จักบัณฑิตว่าบัณฑิตก็มีการเป็นลักษณะเท่าพระท่าบัณฑิตบัณฑิตจะทําอะไรก็ทําแต่ สุจริตทางกายพูดแต่ ว, วจีสุจริตทางวาจาคิดแต่ว่ามโนสุจริตทางใจ น, นะบัณฑิตทําก็ทําอะไรก็ได้ที่น้อมไปเพื่อไม่ทําปานาติบาสการกระทําที่ไม่น้อมไปเพื่ออธินนาทานเลกาเมสุมิฉาจารถ้าพูดแล้วบัณฑิตจะพูดว่าไม่เข้ามุสาวาตไม่เข้ายุแยงแตะแขคงรั่วให้เขาแตกแยกกันพูดแล้วไม่พูดไปแล้วสร้างความเจ็บปวดให้แก่คนอื่นเนี่ยนะมีความอะไรว่าไม่มีความสุขในการ กรีดกลายเนี่ยนะกรีดกลายใช้คมมีดคมหอกเนี่ยนะเชื้อเหัวใจคนอื่นเนี่ยนะไม่มีความสุข ก, กับการคำพูดแบบนั้นและไม่มีความสุขในคำพูดที่ไรประโยชน์เพราะเพราะบัณฑิตทั้งหลายน้อมไปเพื่อพูด คำสัตย์คำจริงพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะมันถ้อยคําของบัณฑิตทั้งหลายเขาเป็นอย่างนั้นแล้วบัณฑิตถ้าคิดอ่ะคิดจะให้แก่ในให้เมตาให้อะไรให้ด้วยการเจริญอ น, อนาพิชชาแล้วก็ให้ด้วยเมตตาก็คือมีความเมตตาปราถนาดีพร้อมที่จะให้อภัยทุกคนได้เสมอ แต่ว่าบัณฑิตเนี่ยเขาแยกดีแยกชั่วเป็นนะแต่คําว่าให้อภัยไม่ได้แปลว่าต้องคลุกคลีอยู่กับคนบาปแล้วก็สุดท้ายก็คือบัณฑิตนั้นมีปัญญาเล็งเห็นประโยชน์เนี่ยนะมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีปัสนาวิปัสนาธรรมาทิฐิเป็นต้นฉะนั้นภิกษุผู้โง่เขลาเนี่ยนะเมื่อไม่รู้จักลักษณะผานไม่รู้จักลักษณะบัณฑิตเชื่อไม่เราจะเลือกคบใครถ้าเราแยกคนไม่เป็นเลยแยกและพานไม่ออกแยกบัณฑิตไม่ออก อย่างนี้นะถ้าสมมติถาปล่อยให้เด็กไปเรียนหนังสือเนี่ยนะมีทั้งเด็กดีและเด็กไม่ดีอยู่ในโรงเรียนโรงเดียวกันเต็มไปหมดหรือพอๆพอกันถ้าแยกดีชั่วไม่เป็นเนี่ยเชื่อไหมเด็กของเราเนี่ยควรจะเลือกคบใครนนะเลือกคบคนพานมากกว่าถามว่าทำไมเพราะคนพาณ น, นี่คือคนที่ตามใจเราเขาตามใจเราเสร็จแล้วเราก็ตามใจเขาแล้วก็คนพาณก็จะชักนาในสิ่งที่ไม่ควรชักนา เอาคําพูดที่แนะนําเราแล้วมีประโยชน์เลยจริงๆ <die> <Couple S 2> อ่ะเขาพูดกับเราจริงๆแล้วเพราะไหมอ่ะโดยมากจริงๆอ่ะนะถ้อยคําที่มีประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยฟังแล้วแม้อยากจะฟังเห ม, มือนดื่มน้ําพึ่งอย่างนั้นไหมยาที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยหวานเหมือนน้าเชื่อมไหมอ่ะเป็นเป็นอย่างนั้นไหมอาหารที่มีประโยชน์อาหาร อ, าอร่อยเหมือนอาหารแบบชนิดที่ได้กินแล้วอ้วนบึกๆเลยเนี่ยนะอาหารเป็นลักษณะอาหารกลุ่มนั้นไหมล่ะอา คือจริงๆแล้วในโลกเนี่ยต้องพยายามจับที่สาระเลยว่าสาระแก่นสารจริงๆแท้แท้เนี่ยมันคืออะไรพานที่เราครบโค้ด้วยเนี่ยเขาเป็นอย่างไรแล้วบัณฑิตเป็นอย่างไรแล้วก็ทีนี้บัณฑิตเนี่ยก็ต้องแยกว่าบัณฑิตระดับไหนอีกทีหนึ่ง ว่าเหมือนกับทางโลกเราก็จะแยกวุฒิการศึกษามาเออคนนี้จบระดับนี้คนนี้มีหน้าที่การงานระดับนี้มีอำนาจตำแหน่งหน้าที่เป็นต้นระดับนี้วิสัยของผานและบัณฑิตทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเราแยกว่าคนผานผานระดับนี้บัณฑิตเขาฉลาดระดับนี้ระดับนี้ก็จำแนกแยกแยะให้เป็นเนี่ยนะถ้าเราดูไม่เป็นเราก็ตาถั่วเมื่อตาถั่วเราจะไปโทษเขาไม่ได้เนี่ยนะสมมติว่าเราเดินไปชนตัวตอไม้เข้าเนี่ยเราโทษตอไม้หรือว่าโทษเรา นะเดินปัดแก้วตกเนะี่ยแก้วไม่ดีหรือเราไม่ดีโดยมากแก้วมันฉิดมันควรจะวางมันที่เป็นทางนะคนทั้งหลายก็เหมือนกันเนะี่ยนะก็ต้องดูเอาว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปโทษแต่คนอื่นเนะี่ยลักษณะอันหนึ่งของคนพานเนยคือคนที่น้ำหนึ่แต่คนอื่นเนี่ยนะเพ่งโทษแต่คนอื่นความเลวร้ายทั้งหลายยกให้คนอื่นหมดดีอยู่คนเดียวนี่แหละ